สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิชพิบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเยซูตอนที่558เรื่องการทรยศของยูดัสพี่น้องครับพระธรรมมัทธิวบาลโกลูกาก็ได้บันทึกเหตุการณ์ที่ยูดัสไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตเพื่อจะนัดแน่เรื่องการทรยศพระเยซู ก่อนหน้านั้นในตอนบ่ายของวันพระหัสขณะที่มารีแห่งเบธานีกำลังฉลมพระบาทของพระเยซูด้วยน้ำมันหอมราคาแพงยูดาสเองนั้นกับไม่พอใจและก็ตำหนิบอกมาบอกว่าทำไมไม่ขายน้ำมันแล้วเอาเงินไปแจกให้คนยากจนในพระธรรมยอห์นครับบันทึกไว้ว่ายูดาสพูดเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนครับแต่เป็นเพราะว่าเขาได้ยักยอกเงินจากกระเป๋าเก็บเงินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเขาทัางหาก เพียงแค่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สาวกนั้นก็รู้ดีแต่ยูดาสนั้นก็เป็นคนที่ชอบหรือว่าโลภครับเยชอบเงินรักเงินโลภหลังจากที่ได้เห็นมารีฉลมพระบาทพระเยซูด้วยความรักที่ทุ่มเทแล้วยูดาสนั้นก็ออกไปดําเนินการตามแผนทรยศทันทียูดาสไปคุยกับพวกมหาปุโรหิตนะครับ บอกว่าต้องแลกชีวิตด้วยเงินสามสิบเหรียญขณะที่เรากำลังติด ต, ตามเรื่องราวไปสู่ห้องชั้นบนผู้บันทึกพรกิติคุณนั้นก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงภาพของการทำสัญญาที่แตกต่างกันสองภาพสองภาพสองสัญญาครับภาพแรกคือพันธสัญญาระหว่างพระคริสต์พระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์นั่นคือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านั้งหลาย ดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มในที่ระลึกถึงเรานั่นคือภาพแรกภาพแห่งพันธสัญญาแต่ชวนอีกภาพหนึ่งครับคือสัญญาระหว่างยูดาสกับพวกปุโรหิตในอาหารข้ามมือสุดท้ายของพระเยซูเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของแผนการทรยศอันโหดร้ายของยูดาสหากมองในอีกมุมหนึ่งนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าแผนการทรยศอันโหดเหี่ยมโหดร้ายนั้น ถูกบทบังด้วยรัศมีอันงดงามแห่งการทําพันธสัญญาใหม่พี่น้องครับสัญญาสองฉบับนี้เกิดขึ้นครับสัญญาด้านหนึ่งเป็นสัญญาของความรักอีกด้านหนึ่งเป็นสัญญาของความโลภความความถอยศหักหลังพี่น้องครับเรื่องราวการถอยยศเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจเราครับให้เราลึกถึงเสมอ ถึงผลร้ายของความบาปความโลภหนทางที่ความบาปจะนำพาคนที่ทำบาปไปอย่างคาดไม่ถึงในทีเดียวชีวิตของยูดาสนันเคยสดใสและเมียนาคตเขาเป็นถึงสาวกหนึ่งในสิบสองคนของพระเยซูเป็นอัครทูตรับผิดชอบหน้าที่สำคัญและออกไปทำงานเพื่อพระเจ้ามามากมายตลอดสองสามปีที่อยู่กับพระเยซูนั้น เป็นที่น่าสงสัยนะครับพี่น้องพี่น้องสงสัยหรือเปล่าครับว่าเมื่อพระเยซูส่งสาวกออกไปประกาศสั่งสอนเป็นคู่คู่นั้นยูดาสได้คู่กับใครและพวกเขาพูดคุยเรื่องใดกันบ้างระหว่างทางแต่พี่น้องครับไม่มีเพื่อนสาวกคนใดที่สังเกตเห็นสิ่งที่กํำลังจะเกิดขึ้นไม่มีข้อความใดในพระกิตติคุณที่บอกว่าพวกสาวกสกิดกันและหันมามองยูดาสตอนที่พระเยซูตรัสว่า คนหนึ่งในพวกเขาจะทรยศพวกเขานั้นยังไม่รู้เลยว่าใครจะทรยศครับเขาก็ถามกันไปถามกันมาและในที่สุดก็กลับไปถามพระเยซูว่าเป็นข้าพระองค์หรือ <c oughs> พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งชาวกไม่มีใครรู้มีแต่โยฮวิยัสกับพระเยซู ยูดาสนั้นได้รับโอกาสในการกลับใจตลอดเวลาครับแต่ยูดาสไม่ได้กลับใจอีกภาพหนึ่งก็เราจะเห็นว่ายูดาสนั้นได้รับการล้างเท้าจากพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสรแผดินโลกผู้ทรงนิธานุภาพสูงสุดพระเยซูลงนั่งอยู่แทบเท้าของยูดาสและล้างเท้ายูดาสกับพี่น้อง เรานึกถึงภาพของพระเยซูสายพระเนตรของพระเยซูที่แงนมองยูดาสในขณะที่ยูดาสก็อาจจะหลบตาพระเยซูหลบตาด้วยความละอายยูดาสทำอะไรกับพระเยซูครับในที่สุดยูดาสตัดสินใจที่จะตรยศพระเยซูที่รักเขา ในตัวเขาเองนั้นยูดาสนั้นก็คงจะรักพระเยซูไม่แพ้พวกเราเหมือนกันครับแต่เนื่องจากความโลภ ก, การรักเงินทองทําให้ยูดาสไปกับพระเยซูไม่ได้ยูดาสไม่สามารถที่จะเอาชนะความโลภและความรักเงินทองของตัวเองยูดสาสก็อาจจะ j u ซิ i f y ตัวเองหรือให้ความชอบธรรมกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะ่ะ เดี๋ยวพระเยซูก็คงจะทําการอศัศจรรย์หนีจากพวกนั้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกับที่พระเยซูได้ทําการอศัศจรรย์นะครับเดินผ่านคนเหล่านี้ที่หมายปองร้ายพระเยซูหลพระกิตติคุณยอนะครับบอกกับเราว่าพระเยซูทรงเอาขนมปังจิ้มน้ำองุ่นแล้วยื่นให้แกยูดาสก่อนที่เขาจะออกไปนี่เป็นเครื่องหมายของความรักของการให้เกียรติ ของการยอมรับและของการให้อภัยพี่น้องครับพระเจ้าให้อภัยยูดัสเสมอพระเยซูให้อภัยอยู่ัส้เสมอแต่ยูไดไสไม่กลับใจพระเจ้าให้อภัยเราเสมอครับเมื่อเรากลับใจครับเมื่อเราเสียใจในความบาปแต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่อยากทำบาปที่เราเคยทำกับพระองค์อีก พี่น้องครับความบาปหลายหลาครั้งทีเดียวเราไม่ได้ทำกับตัวเราเองไม่ได้ทำกับแค่เฉพาะพี่น้องของเราหรือคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักแต่ความบาปทุกๆบาปนั้นกระทำตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพราะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงครับพระเยซูหยิบขนมปังจิ้ม น, น้อาองุ่นยื่นให้กับยูดาสก่อนเขาจะออกไปเป็นภาพที่ สุดท้ายของสุดท้ายที่พระเจ้ายังเปิดโอกาสให้ยูดาสกลับใจใหม่เสมอสุดท้ายของสุดท้ายก็คือชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้เรากลับใจใหม่เสมอพระเยซูทรงรักและเฝ้ารอคอยให้เขากลับมาหาพระองค์แต่ความลหลงไหลในเงินทองของยูดาสได้ครอบงำเขาพระปีเชคําว่ามารซาตานได้เข้าสิงเขา และแม้เขาจะได้ยินคำสอนของพระเยซูเรื่องทรัพสมบัติเรื่องเงินทองหลายครั้งหลายคาแต่จิตใจของเขาก็ยังแข็งกระด้างในที่สุดความโลภก็พาเขาให้ถลำลึกเกินกว่าที่เขาจะนึกคิดและเกินกว่าที่เขาจะเห็นผลที่ตอบมาย้อนกล่าวว่าทันทีที่ยูดาสกินขนมปังซาตานก็ได้เข้าสิงในตัวเขา อันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมย้อนบทที่ 13-27 ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ที่นำเขาไปสู่ความตายพี่น้องครับในที่สุดยูดาสก็ตายโดยที่เขาเสียใจแต่ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจใหม่มาหาพระเยซูเขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตของเขาลง ด้วยความเศร้าเสียใจซึ่งไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยขอให้ชีวิตของยูดาสนั้นเป็นเครื่องเตือนใจเราทั้งหลายครับพี่น้องระหว่างเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้เราจะเลือกใครครับระหว่างสิ่งต่างเหล่านี้กับพระเจ้ากับพระเยซูเราจะเลือกใครมา ก, ก่อนขณะที่พระเยซู ได้ผ่านการทดลองของมานการล่อลวงของมานมานสาตาลก็นําพระเยซูขึ้นไปแล้วบอกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้สงนาราศีทั้งหลายในโลกนี้เป็นของเราเราจะมอบให้กับเจ้าขอเพียงแต่เจ้ากราบน้ำมัสศการเรานี่แหละครับพระเยซูทรงผ่านมาแล้วหลายหลายคนในโลกนี้เป็นบนรรดาชนแห่งความเชื่อก็ทรงผ่านมาแล้วแต่ยูดาสไม่ผ่าน คำถามของผมก็คือว่าพวกเราจะผ่านไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราผ่านกันทุกคนนะครับอาเมน